ก็มโนธรนมกับพวกเราทุกคนนะที่มาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะหลายคนยังแข็งแรงอยู่เลยนะสวดมนต์เสียงดังฟังชัดเลยจนมาสวดก็ไม่ทันแรงไม่ถึงน แต่ว่าเราก็าังแรงดีนะอังแข็งเกิดมีเรี่ยวแรงกำลังวังชาดีทั้งๆ ท, ที่ก็ทำงานมาทั้งวันนะอืก็แต่ว่าสุขภาพของเราก็ยังดีอยู่เนะี่ยอืเราก็ยังมีกำลังเพื่อมาทำงานนะมีกำลังเพื่อช่วยคนอื่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะเป็นเป็นโชคเป็นอาราบนะอย่างที่พระเจ้าท่านบอกว่า การไม่มีโรคนะเป็นราบอันกระเสริฐเพราะหลายคนคิดว่าเราจะมีราบคือเราสูกหวยนะเรามีโชคในการเสี่ยงดวงแต่จริงคนคนไม่มีโรคนั่นแหละเป็นราบอันกระเสริฐละนะเพราะเราก็เห็นหลายคนเนาะที่เขามีโรคนะมันก็มีความทรมานมีความลำบากหลาอย่างอยู่ที่ เขาต้องมาเหนื่อยในการรักษาในการดแรูแลดังการที่พวกเราแข็งแรงระดับหนึ่งในี่ถือว่าพวกเรามีราบอันกระเสริฐแล้วแต่ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายก็เป็นของที่มันไม่แน่นอนนะวันนี้เราไม่ป่วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันใดเราจะป่วยนะ วันนี้เรายังไม่ตายเราก็ไม่รู้ว่าวันใดเราจะตายนะบางคนก็ป่วยหรือตายโดยโครคภัยไข้เจ็บบางคนก็ป่วยหรือตายเพราะอุบัติเหตุนะ อ, อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะมาก็ผ่านมาเจวนี้นะแต่ผ่านไปนู่นไปเด่นชัยนะผี่พระในใสายงานของพ่อเทียนท่านมรณภาพนะ หลงพ่อมหาดีเรกนะท่านเขาแข็งแรงดีนะ66ปีแต่ก็ดูแลสุขภาพดีแต่ก็ข่าวก็คือว่าตกตกแทงน้ำที่เก็บน้ำเสียชีวิตไม่มีใครรู้ก็ความความไม่เที่ยงเนาะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราเราประมาทไม่ไดนะ้อันนั้น ความความไม่ประมาทก็คือว่านะคุณงามความดีอะไรที่เราเราตั้งใจจะทำเราก็รีบทำเ <c oughs> ช่นเราดูแลพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตยอยู่เราก็ดูแลท่านในตอนนี้แหละนะอย่ารอทำบุญหาตอนที่ท่านเสียไปแล้วนะ <c oughs> บางทีอย่างพระนะทาหน้าที่เวลามีกมีคนจะทำบุญหา คนที่เสียชีวิตไปแล้วมันก็ไม่แน่นอนนะว่าเขาจะได้รับจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเรานะซื้ออาหารเราพูดคุยนะเราไปให้กำลังใจพ่อแม่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนะี่ยของจริงนะคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีนะเป็นเพื่อนนะเป็นญาติพี่น้องเราก็เราก็ ช่วยเหลือกันตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยแหละนะหรือว่าถ้าเรามีสิ่งที่ขัดใจกันนะก็ให้อภัยกันตั้งแต่ตอนนี้แหละนะเราทําตอนนี้เลยนะอเห็นผลทันทีเลยให้อาหารพ่อแม่วันนี้นะท่านได้กินก็อิ่มวันนี้เลยนะซื้อเสื้อผ้าให้ท่านใส่วันนี้นะท่านใส่ท่านก็ได้ใช้ทันทีเลยนะอันนี้คือบุญ สิ่งที่เป็นความดีเราก็เราก็ทำตั้งแต่วันนี้เลยเนาะอันนี้คือเราก็พยายามทาเนี่ยเราอาศัยว่าวันเราประมาทไม่ได้นะประมาทในเวลาประมาทในสาคัญรั่งกายของเราไม่ได้นะเราก็ทำตั้งแต่วันนี้เนาะแต่ส่วนหนึ่งเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อ เพื่อคล้ายๆรอวันหมดลมหายใจเท่านั้นนะ่ะหรือเราจะทําหน้าที่เพียงแค่การงานภายนอกเนาะเราจะลืมว่าเราจะมีหน้าที่ต่อตัวเราเองนะหน้าที่ต่อตัวเราเองคือการที่เราจะทําไงให้ความทุกข์ใจมันลดน้อยลงเนาะเราจะทําหน้าที่อย่างไรให้ยมเชื่อไม่เรื่องการเวียนว่ายใจเกิด ว่าตัดสงสารนะนาเนาะคือการที่ถ้าเรายังไม่หมดเชื้อของการการยึดติดถือมั่นในในร่างกายก็ดีหรือว่าในจิตใจก็ดีว่าเป็นเราเป็นของของเราเนะี่ยเราก็ต้องเวียนไว้แต่เกินคล้ายๆเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เนะนี่ยอาจจเช่นต้นไผ่แบบนี้เ น, ะนาะต้นไผ่ก็มีแตกหน่อขึ้นทุกปี หรือแม้แต่กอไผ่ต้นนั้นเขาจะตายเขาก็ยังมีขุยนะเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์เขายังสืบเชื้อต่อไปเนี่ยธรรมชาตินะธรรมชาติของของสัตว์หรือของพืชมันมีการสืบพันธุ์ไปเรื่อยเนี่ยถึงว่ากต้นนี้ตายก็มีต้นอื่นแทนไปเรื่อยธรรมชาติของจิตใจก็ก็คล้ายๆกันนะเพราะเรายังมีความห่วงยังมีความยึดติดเยอะมันก็ยังมีการเกิดใหม่ไปเรนะื่อยแต่เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนภพภูมิไปบ้างนะแต่ก็จะเกิดเป็นอะไรก็ยังต้องเจอกับความทุกข์นะนีไม่ว่าจะเกิดรวยนะเกิดสวยเกิดเก่งนะเกิดในตระกูลไหนก็ก็ยังมีความทุกข์นะนั้นทำยางไรถึงจะเกิดน้อยที่สุด <c oughs> นะหรือว่าการเวียนว่ายแต่เกิดมันสั้นที่สุดนะี่อันนี้คือ เราก็มาตัดว่าตัดสงสารอยนี้นแหละเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดนานเะจะต้องไม่มาทนทุกข์นานนี้ทุกทางตายเราก็พยายามฝึกกับเน็ตบ่อยๆเพื่อวันในวันหนึ่งนะถ้าเราต้องตายไปจะต้องไม่กลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกแต่ที่จริงมันก็มีเรื่องการเกิดทางใจด้วยเหมือนกันนะพบภูมิเนะี่ยมันมีสองลักษณะพบภุมคือตายแล้วเกิดใหม่ แต่พบภูมิอีกลักษณะหนึ่งคือการเกิดทางใจเกิดอารมณ <c oughs> เเมนในใ์เกิดเป็นความโกรธขึ้นในใจเกิดเป็นความโลภขึ้นในใจนะเกิดเป็นความหลงความยึดติดในใจเนะี่ยการเกิดแบบ น, นี้ก็ทำให้คนหัวเราะทำให้คนร้องไห้นะทำให้คนทุกข์ทำให้คนสุขอยู่เรื่อยไปทำอย่างไรเราถึงจะลดความโกรธความโลภ ค, ความหลงตรงนี้ได้เนะ่ะ มันก็คือลดการเกิดในจิตใจของเรานะสิ่งคือเราห้ามให้มันเกิดไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราปฏิบัติคือรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันเวลาโกรธขึ้นมาให้รูนะ้เวลาอยากขึ้นมาให้รู้นะเวลาพอใจเวลาไม่พอใจขึ้นมาให้เราคอยมีสติรู้หรนะือถ้าเรามีสติรู้นะ เราจะเลือกได้ว่าเราสมควรทำตามไหมหรือว่าไม่สมควรทำนะแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้เนะ่เราจะถูกอารมณ์สั่งให้เราทำนะมันต่างกันนิดเดียวคือแม้แต่พระนะก็มีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ต่างจากโยมนะแต่พีน้ว่าเราจะมีสติรู้ทันก่อนนะถ้าเรารู้ทันก่อนเนะี่ยเราก็เหมือนเลือกใช้ได้นะเลือกใช้ได้ คล้ายๆเหมือนสมมติพวกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเรามีเราเป็นคนปกติเนะี่ยสมมติเรามีมีดนะถ้าจิตใจเราปกตินะร่างกายเราปกติเราก็ใช้มีดถูกเนาะนะใช้ในการทำอาหารนะใช้ในการตัดสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าสมมติมีดนะอยู่ในมือคนบ้า <c oughs> มีดอยู่ในมือเด็กที่ ไม่รู้เดียงสานะอันตรายใช่ไมืมเขาอาจจะทําลายตัวเองทําร้ายตัวเองก็ได้หรือทําร้ายคนอื่นก็ได้มีดมันก็เป็นแค่มีดนะ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในคนปกติก็ใช้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าอยู่กับคนไม่ปกติก็อาจจะเกิดโทษกับตัวเองหรือกับคนอื่นได้อารมณ์ก็คล้ายๆมีดนะบางคนเขาว่าเหมือนกับระเบิดนะระเบิดเนี่ยทําลายคนอื่นก็ได้นะ หรือบางทีก็เอาไปทําลายอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์ได้นะเอาไประเบิดภูเข า, เามาทําเป็นก้อนหินเป็นปูนซีเมนต์อนะไรนัก็เกิดประโยชน์แต่เอาไประเบิ ด, บดตึกรามบ้านช่องคนอื่นให้เสียหายก็เป็นไปได้เหมือนกันจิตใจของเราก็เหมือนกันนะ่ะอารมณเนี่มันเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยเราจะเราก็สั่งหรือว่าเราก็เป็นคนควบคุมได้ แต่ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันนะอารมณ์ก็จะควบคุมจิตใจเราให้ใช้ให้เราทํานะเนี่ยเราพยายามมีสติบ่อยๆนะ ม, มีสติก็คือเนี่ยเรารู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะแล้วก็มีสติแล้วรู้รู้อาการของร่างกายที่เคลื่อนไหวนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดีเนะี่ยให้เรามีสติรู้เท่าทัน มันจะเห็นเป็นสามอันที่มันชัดเจนในะโย่ร่างกายก็อันหนึง่งนะอารมณ์หรือความคิดก็อันนึงสติที่เป็นผู้เห็นก็อันหนึง่งนะมันจะรู้เลยว่าชีวิตนี้มันมีประมาณสามลักษณะเนี่ยแหละนะร่างกายอารมณ์หรือว่าความคิดนะความรู้สึกต่างๆแล้วก็จิตจิตที่มันเป็นผู้รู้อันหนึง่งแหละ ถ้าเราแยกแบบนี้ได้นะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็อันหนึ่งเราก็จะเห็นร่างกายเห็นร่างกายมันปวดเห็นร่างกายมันเจ็บนะก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเห็นว่ามันโกรธขึ้นมาเห็นว่ามันอยากขึ้นมาเห็นว่าเป็นอารมณ์นะตัวเห็นเป็นตัวหนึ่งจะจะแยกได้ว่าอารมณ์อันนึงจิตที่เป็นผู้เห็นอีกอันหนึ่งนะ แต่ถ้าเราไม่เห็นเนะ่เราจะกลายเป็นเราเราโกรธเราคิดแต่ถ้าเราเห็นนะจะเห็นว่าเออมันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นในใจนะเกิดความคิดขึ้นในใจเรามีสติเห็นก่อนเห็นแล้วก็ความคิดนี้อ่าถ้ามันจำเป็นก็ทำนะถ้าไม่จำเป็นก็ละเสียนะอันนี้คือมันจะเห็นเนะ่ยถ้าคนที่มีสติไปก็จะมีเหมือนคนอื่นอนะ่ะแต่มีร่างกายมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกัน แต่สิ่งที่มีต่างกันคือมีมีใจที่เป็นผู้รู้ใจที่มีสติเนะี่ยจะมีตัวเนี้ยแหละแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเราไม่ฝึกนะมันจะไม่มีตัวใจที่มีสติจะมีแต่ร่างกายมีแต่อาการของร่างกายแล้วก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะเราก็จะทาตามสัญชาตญาณเนานะนะทากายก็ดีทาใจก็ดีแต่ถ้ามีสตินะเราจะใช้ เราจะใช้ปัญญานะเราจะใช้ปัญญาในการที่จะรู้เท่าทันตรงนี้ น, ะนี่นแหละคือสิ่งที่มาว่าอยากจะเรียกว่าเป็นเป็นหน้าที่นะ <c oughs> เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของของชีวิตเราเนาะนะถ้าเราฝึกแบบนี้อนะ่ะเราจะเราจะอยู่กับโลกนี้อย่างมีความทุกข์น้อยลงนะมีความสุขมากขึ้นนะ มีปัญหากับตัวเองหรือมีปัญหากับคนอื่นน um> ้อยลงเพราะว่าพอเราจะเราจะเข้าใจตัวเราเองเข้าใจคนอื่นได้ได mm. ้มากขึ้น่ะก็จะไม่มีปัญหาแต่ถามว่าอยู่กับโลกคนอื่นมีปัญหากับเราไหมก็อาจจะมีแต่เราไม่มีปัญหากับคนอื่นมันต่างกันนะอืมคนอื่นโกรธเราไหมคนอื่นไม่เข้าใจเรามีไหมมีนะแต่เราไม่โกรธเขาเนี่ยเราเข้าใจเขาเนี่ย มันมาต่างกันนะไม่ใช่ว่าคนมีธรรมะหรือคนปฏิบัติธรรมคนที่ว่าทําบุญเยอะๆจะไม่เจอกับปัญหาไม่เจอกับสิ่งที่มันเอไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเจอกันทุกคนแหละแต่แต่เราเจอแล้วเราไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งตรงนี้นะนะให้เราพยายามฝึกนะอยู่กับโลกนะอย่างอย่างไม่หลงในโลก อยู่กับโลกอย่างมีความทุกข์น้อยลงเนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากแล้วเราก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะความทุกข์ก็น้อยลงนะเราก็ทาหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราทำได้เนาะเท่าที่เราทาได้นะ น, นี้คือสิ่งที่ที่สำคัญพยายามมีสติรู้ทันร่างกายมีสติรู้เท่าทันจิตใจนะ ฝกตอนนี้บ่อยๆนะใครทำคนนั้นก็ไดแไ้แต่ได้ในที่นี้นะบางทีมันไม่ใช่ได้เป็นตัวตนนะนะมันไม่ใช่ได้เหมือนมันไม่ใช่ได้แบบเป็นของของเราหรอกนะแต่สิ่งที่ได้จริงๆถ้าจะพูดนะคือได้ปล่อยได้วางนะได้ความไม่ทุกข์นะคือปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญนะบางทีเราคิดว่าเหมือน เหมนได้เงินทองได้สิ่งของได้ตําแหน่งนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นเช่นเป็นพระอริยะปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหันนะนะหรือว่าจะได้คํายกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆนะแต่เราปฏิบัติได้เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็ละออกไปจากใจเสียได้นะกิเลสก็น้อยลงนะเราเห็นความทุกข์นะความทุกข์ก็มา แบกทับเนี่ยชีวิตจิตใจของเราไม่ได้เนะี่ยคือถ้าจะได้ก็คือได้แบบนี้นะเหมือนได้เหมือนเราได้ทำความสะอาดห้องนะก็คือเราก็กวาดขยะทิ้งเราก็ถูพื้นให้มันสะอาดขึ้นเนะี่ยห้องก็น่าอยู่ขึ้นเราได้มาทำความสะอาดจิตใจของเราเองก็แบบนั้นแนหะจิตใจก็สะอาดขึ้นจิตใจก็สงบขึ้นเนี่ยคือได้แบบนี้เนี่ยเราได้อยู่ในบ้านที่สะอาด เราได้อยู่กับร่างกายกับจิตใจที่สะอาดเนะี่ยมันก็มีความสุขมากขึ้นของมันเองนะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสะอาดนะเขาก็มีความสะอาดต่อไปด้วยเขาก็มีความสุขต่อไปด้วยคนที่อยู่ใกล้คนที่มีธรรมะจิตใจสงบเขาก็จะพอมีความสงบร่มเยินไปด้วยโยมหลายคนเป็นแม่เนาะหลายคนเป็นคุณยา่าคุณยายละนีะ่เราก็เนี่ยแหละ เราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่แหละน ะ, สะแสดงความสุขนะให้กับลูกกระหลานนะให้กับคนป่วยให้กับเพื่อนร่วมงานของเราให้เขาเห็นเนะี่ยมาว่าจะเป็นการช่วยกันทำให้สังคมมีความสุขมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโรกทั้งใบให้ให้สงบให้ร่มเย็นได้ทั้งหมดนะ แต่อย่างไรเราก็เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเล็กๆนะคล้ายๆเหมือนกับต้นไม้โยมต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้หนึ่งต้นจะทําให้ทั้งจังหวัดนี้ร่มเย็นนะแต่อย่างน้อยต้นไม้หนึ่งต้นนั้นก็ทําให้คนที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้น่ได้รับความสงบแล้วได้รับความร่มเย็นแล้ชีวิตเราก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละเราดีกว่านั่นอีกคือเราเดินได้เดินไปหาคนที่เขาเป็นมีความทุกข์ เดินไปห า, นาคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักแต่เราได้เกี่ยวข้องเราไปช่วยเขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยคือคือสิ่งที่มีคุณค่ามากนะชีวิตเราจะมีคุณค่าต่อเมื่อได้เราได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าไม่จําเป็นต้องมีคนชื่นชมก็ได้นะไม่ต้องเราไม่ได้ทําเพื่อหวังคําชื่นชม เราไม่ได้ทําเพื่อหวังคําขอบคุณนะแต่เรา ท, ทําด้วยความเต็มใจให้นี่แหละเราจะมีความสุขนะมีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็แต่บางอย่างเองเราก็อย่าลืนนะเราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะแต่รักตัวเองนี่ไม่ใช่เป็นการรักแบบเห็นแก่ตัวนะนะรักตัวเองจริงๆก็คือนี่แหละนะคือรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็หาเวลานะ ให้จิตใจของเรามีสติมีสมาธินะตอนนี้คือการรักตัวเองเหมือนกันจะเป็นการไปรักคนอื่นได้ดีขึ้นไปด้วยเนาะต่ออนุโมทนาที่จริงนะอาจมาเห็นคุณหมอคุณพยาบาลนะทางานหนะักนะ่ะทุกๆวันนะช่วยเหลือคนป่วยก็ดีหรือดูแลครอบครัวนะก็ดีนะหือว่า เราได้ทำหน้าที่ที่ที่มีคุณค่านะที่มีประโยชน์นะแล้วเราทำแบบนี้ตั้งแต่เราเริ่มบรรจุเนาะเราเริ่มรับราชการไปมาก็เชื่อว่าหลายคนแม้วันนี้หรือว่าหลังจากนี้นะอาจจะไม่ได้ไปนุ่งเครื่องแบบแล้วนะหรือเรากรเกษียณแล้วนะแต่ความเป็นหมอเป็นพยาบาลยังติดตัวเราอยู่นะ คนรอบข้างก็ยังเรียกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่ใครมีปัญหาก็มาปรึกษาเราอยู่นะเราเลยเป็นหมอเป็นพยาบาลในจิตวิญญาณตลอดไปเลยก็ <mm> <mm> <mm> ไปช่วยกันนะช่วยกันให้ให้ตรงนี้มีความสุขนะเราทำสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วแล้วก็แล้วก็อย่างว่านนะแล้วก็ต้องช่วยตัวเองให้เรามีความทุกข์น้อยลงด้วยน ะ, นะชีวิตเราก็จะได้พบกับ ความสงบที่แท้จริงนะก็ขอบคุณมากนะอนุโมทนาทุกๆท่านนะอืม